สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกลเม็ดครัวไอเดียค่ะอยู่กับเอนะคะพานุมาตหัทธบุญรับหน้าที่ดำเนินรายการกับเรื่องราวของสารพันห้องครัวค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันทุกๆสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็เรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้นะเป็นเรื่องราวนะคะที่นามาฝากการอย่างในช่วงแรกของเราเนี่ยกับกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะเอมีเรื่องราวของ 8วิธีการปอกผลไม้นาะเคล็ดลับที่จะช่วยให้ใช้ชีวิตได้ง่ายๆด้วยสเต็ปคันเทพมาฝากกันนะคะส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นกับช่วงของกลเม็ดเกล็ดเสริมครัวนะคะวันนี้เรามี10เทคนิคการตกแต่งห้องครัวให้ดูแพงแบบสบายกระเป๋าอ่าน ะ, ะดีมากมากเลยละน ะ, ะแล้วช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับเรื่องราวของกลเม็ดเกลด็ดไทยครัวนะคะวันนี้เอมีวิธีขจัดกลิ่นอาหารทอด ออกจากห้องครัวค่ะเพราะว่ากลิ่นของน้ํามันเออยนะคะควันเวลาที่เราทอดเนี่ยเป็น เ, ออเรื่องราวที่บางทีเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่ากลิ่นก็จะติดตามพมานเออยนะคะอุปกรณ์ต่างๆเออยเสื้อผ้ากันเปื้อนหรือว่าเสื้อผ้าของเราเองก็ตามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วกลิ่นพวกนี้เวลามันอยู่นานๆแล้วมันจะแบบว่าเกิดการสะสมนะคะแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จริงๆวันนี้แล้วเดีเรามาฟังกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง เราไปพักฟังเพลงเพาะเพะจากทางสถานีกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเข้าสู่เรื่องราวของกลเมตดลุยเข้ากลัวกันค่ะ Just call. เาสู่ช่วงนี้ของรายการนะคะกับกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะเอมี ME 8วิธีสำหรับการปอกผลไม้เคล็ดลับช่วยชีวิตให้ง่ายด้วยสเต็ปคันเทปนะคะมาฝากกันเป็นกันบ้างั้ยคะคุณผู้ฟงังเวลาที่เราอยากกินผลไม้แต่ปอกผลไม้ไม่เป็นเนี่ยนะหรือว่าเคยปอกแล้วแต่ว่าไม่สวยเอาละนะะวันนี้ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนเรามีข้อเสนอนะมานาเสนอกั น, นะคะกับการ ปอกผลไม้มีทั้งวิธีแก ะ, มะเมล็ดทับทิมแกะเม็ดสินะไม่ใช่มเมล็ดแกะเม็ดทับทิมนะคะวิธีการปอกส้มโอปอกมะม่วงนะแล้วก็มีผลไม้อื่นๆอีกเพียบเลยที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เริ่มกันที่อย่างแรกเลยกับวิธีการแกะเม็ดทับทิมค่ะ ต่อไปนี้นะใครที่เห็นทับทิมก็ซื้อมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าแบบจะแกะยากแกะไม่เป็นแกะโอ้โหทำไมมันได้น้อยหรือเกินอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เรามีสูตรนะคะจากคุณ i t ต y Shape ค่ะสมาชิกเว็บไซต์พันทิป .com นะคะแค่ กรีดเปลือกแล้วก็เคาะเม็ดออกมาทําได้ไม่ยากเลยล่ะค่ะนะแล้วก็นำมาเคียเค้ยวๆๆนะคะยามบ่ายนะหรือว่าใครที่แบบว่าชื่นชอบน้ำทับทิมก็เอาไปคั้นเป็นน้ำทับทิมได้วัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีทับทิมแล้วก็จะมีช้อนสําหรับตีเปลือกทับทิมนะคะวิธีการก็ขั้นแรกเลยใช้มีดนะคะตัดหัวแล้วก็ท้ายนะคะของเปลือกทับทิมแล้วก็เอามา กรีดเปลือกแบ่งทับทิมออกเป็น4ส่วนค่ะหรือว่า5ส่วนนะคะจากนั้นก็คว่ำทับทิมลงไว้ที่ฝ่ามือนะคะใช้ช้อนเนี่ยตีที่ก้นทับทิมนะคะจนเม็ดทับทิมเนี่ยหลุดออกมาหมดนั่นเองวิธีง่ายๆแค่นี้เองนะคะก็จะได้เม็ดทับทิมนะไว้รับประทานกันแล้วนะคะสค่ะเป็นวิธีการปอกมะม่วงสุกด้วยแก้วนะคะใครที่เคยปอก ปอกมะม่วงสุกนะแบบว่าผิวแบบเละดูไม่น่าทานอะไรแบบนี้นะะวันนี้ก็เลยนำวิธีที่ง่ายๆมาฝากกันนะคะก็จะเป็นการใช้สูตรนี้นะคะจากบัตฟิตบลูค่ะสมาชิกเว็บไซต์ YouTube.com นะคะโดยเนื้อมะม่วงเนี่ยเขาจะมีความโค้งมนสวยงามนะคะปอกด้วยแก้วแบบง่ายๆไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะก็ วัตถุดิบนะคะแล้วอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีมะม่วงสุกมีดแล้วก็แก้วค่ะวิธีการปอกมะม่วงสุกด้วยแก้วนะคะขั้นตอนแรกเลยใช้มีดค่ะผ่าครึ่งมะม่วงสุกนะคะ2ค่ะนําชิ้นมะม่วงสุกเนี่ยวางไว้ในอุ้งมือแล้วก็นําไปวางไว้ที่ปากแก้วนะคะขั้นต่อมาณขั้นที่3ค่อยๆออกแรงกดนะคะแล้วก็ดันให้เนื้อมะม่วงเนี่ยออกจากเปลือกค่ะโดยให้ปากแก้วนะคะชิดกับเปลือกมากที่สุด ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายนะคะนำเนื้อมะม่วงเนี่ยออกจากแก้วพร้อมเสิร์ฟค่ะต่อมานะคะอย่างที่3กันแล้วกับวิธีการปลอกส้มโอส้มโอเปลือกหนานะคะจะปลอกอย่างไรก่อนอื่นเลยค่ะใช้มีดตัดส่วนหัวของส้มโอออกแล้วก็ใช้มีดนะคะกรีดที่เปลือก ข้างๆส้มโอเนีเสร็จแล้วก็ใช้พลังนิ้วเนี่ยค่ะฉีกเปลือกส้มโอออกจากกันนะคะแป๊บเดียวก็จะได้เนื้อส้มโอสวยๆมาแช่เย็นกินกันแล้วละค่ะวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะก็จะมีส้มโอแล้วก็มีดเท่านั้นเองนะคะขั้นแรกเลยใช้มีดเนี่ยตัดส่วนหัวของส้มโอออกข้อที่2นะคะใช้มีดกรีดที่เปลือกข้างๆ ข, ของส้มโอจากบนนะคะลงมาล่างสุด ที่ด้านล่างนะคะให้มีความลึกพอประมาณแต่ว่าระวังอย่าให้ถูกเนื้อส้มโอนะคะประมาณ 4-6 รอยข้อที่3ค่ะฉีกเปลือกส้มโอนะคะตามรอยที่กรีดไว้นะคะเราก็ดึงเนื้อส้มโอเนี่ยออกจากเปลือกข้อที่4ค่ะสอดนิ้วโป้งเข้าไปในช่องกลึงกลางนะคะของส้มโอแล้วก็ออกแรงฉีกนะคะเครื่องส้มโอออกจากกันข้อที่5ค่ะใช้มีดนะคะค่อยๆเฉือนแกนกลางของส้มโอออกแล้วค่อยๆบิเพื่อแยกกลีบ โอเนี่ยออกจากกันข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ใช้มีดแล้วก็มือเนี่ยค่อยๆเลาะแกะเปลือกส้มโอนะคะที่ติดอยู่ออกให้หมดโดยใช้อุ้งมือเนี่ยประคองเอาไว้นั่นเองค่ะต่อมาอย่างสุดท้ายนะคะของสัปดาห์นี้นะคะกับข้อที่4วิธีการปลอกส้มนั่นเองฟังดูแล้วเหมือนง่ายๆใครก็ทําได้นะคะแต่ว่าถ้าจะทําให้สวยน่ารับประทานนะคะแล้วก็กลิ่นส้มเนี่ยไม่ติดซอกเล็บ ต้องลองวิธีนี้ค่ะเป็นวิธีแกะส้มนะคะที่จะได้เนื้อส้มเนี่ยเรียงกันเป็นแถวสวยงามบอกเลยว่าจับมากแถมยังกิ่นง่ายอีกด้วยค่ะ วัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะก็จะมีส้มแล้วก็มีดค่ะข้อแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกใช้มีดเนี่ยเฉือนหัวส้มนะคะแล้วก็ท้ายของส้มออกระวังอย่าให้ถูกเนื้อส้มนะคะข้อที่สองใช้มีดค่อยๆกรีดลงบนผิวส้มนะคะให้ตรงกับช่องว่างระหว่างกลีบส้มข้อสุดท้ายค่ะข้อที่สามค่อยๆนะคะแยกกลีบส้มเนี่ยออกจากกันให้เป็นแถวนั่นเองค่ะ นี่ก็คือ4นะคะผลไม้กับวิธีการปลอกที่แสนจะง่ายดายนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรื่องราวของกลเม็ดเกล็ดเสริมครัวค่ะเอมี่สเทคนิคนะคะการแต่งครัวเนี่ยให้ดูแพงแบบสบายกระเป๋ามาฝากกันค่ะ สู่ช่วงของกลเม็ดเกรดเสริมครัวนะคะในช่วงนี้กับ10เทคนิคการแต่งครัวให้ดูแพงแบบสบายกระเป๋านะการแต่งห้องครัวนั้นนะคะหลายๆคนคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณมากยิ่งแต่งให้หรูดูดีเนี่ยก็จะยิ่งแพงแต่ทราบหรือไม่คะว่า10เทคนิคต่อไปนี้นะที่เราจะนํามาฝากกันเนี่ยจะทําให้ห้องครัวของคุณ น, นั้นดูแพงขึ้นมาได้ด้วยงบประมาณที่สบายกระเป๋ามากค่ะข้อแรกนะคะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นสิ่งที่ช่วยปรับ เปลี่ยนลุกนะคะดยรวมของของห้องครัวเนี่ยได้แทนที่จะต้องมาเปลี่ยนตู้เปลี่ยนลิ้นชักทั้งชุดนะคะซึ่งก็เปลืองงบประมาณก็แค่เปลี่ยนฮาร์ดแวร์นะคะพวกมือจับที่ดึงลิ้นชักนะคะมือจับเปิดตู้ก็จะทําให้มันดูแปลกตาขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นมาได้ค่ะ ข้อที่2นะคะใช้โทนสีสว่างการเลือกใช้โทนสีสว่างนะคะทั้งผนังทั้งตู้ซึ่งจะช่วยให้ห้องนั้นดูมีขนาดใหญ่ขึ้นแพงขึ้นนะคะซึ่งโทนสีสว่างเนี่ยหรือว่าโทนสีอ่อนนี้นะคะยังสะท้อนแสงได้ดีถ้าทาสีสว่างทับจุดที่มีรอยเปื้อนรอยขูดขีดนะคะพวกตู้เก่าชั้นเก่าก็จะช่วยให้ห้องครัวของคุณนั้นดูดีขึ้นได้ค่ะข้อที่3มนะคะเปลี่ยนประตูตู้ หากว่าบานประตูตู้เนี่ยดูเก่าแล้วนะคะก็เปลี่ยนหรือว่านำออกมาขัดด้วยกระดาษทรายนะคะทำสีตกแต่งใหม่จะทำให้ห้องครัวนั้นดูดีขึ้นหรือว่าหากเปลี่ยนเป็นใช้วัสดุกระจกนะคะหรือว่าพวกไฮกลอสก็จะยิ่งทำให้ดูแพงแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นค่ะ ข้อที่สี่นะคะเปลี่ยนไฟไฟในห้องครัวเนี่ยนอกจากจะเป็นาการให้ความแสงาการให้ความสว่างนะคะก็ยังเป็นเครื่องประดับที่ตกแต่งในครัวได้อีกด้วยการเปลี่ยนไฟเนี่ยก็ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของพื้นที่ได้นะคะถ้าไม่ชอบโคมไฟแบบพื้นๆก็ลองหาโคมอื่นๆเนี่ยมาแต่งตามความชอบแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ค่ะข้อที่ห้านะคะใช้งานศิลปะช่วย งานด้านศิลปะเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ดีมากๆสําหรับการปรับลุกห้องให้ดูแพงขึ้นรวมทั้งห้องครัวด้วยค่ะไม่ต้องกังวลใ น, เ, นเรื่องของงานชิ้นใหญ่กรอบใหญ่เพราะว่าภาพที่ใหญ่นั้นนะคะจะช่วยพลางตาให้ห้องนั้นดูกว้างขึ้นการใช้งานศิลปะตกแต่งห้องนะคะยังเหมาะสําหรับผู้ที่เช่าห้องอยู่แล้วก็ไม่ต้องการที่จะลงทุนปรับเปลี่ยนอะไรมากด้วยค่ะ ข้อที่นะคะทาสีอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นสีของสแตนเลสสตีลนะคะหากอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไม่ใช่สแตนเลสสตีลนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้ทาสีเนี่ยช่วยได้นะแต่ต้องเลือกชนิดของสีให้เหมาะกับวัสดุที่เราจะใช้งานด้วยค่ะข้อที่7ตกแต่งบริเวณหน้าต่าง ตกแต่งให้บริเวณหน้าต่างนะคะดูมีความสวยงามขึ้นด้วยอะไรก็ได้เพราะว่าหน้าต่างเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรมองข้ามนะคะหากคิดจะแ ต, แต่งตัวให้ห้องครัวนั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะ แต่งจุดรับประทานอาหารจุดที่เราใช้นั่งรับประทานอาหารนี่แหละนะคะโดยเฉพาะอาหารเช้าในห้องครัวอาจจะแต่งเป็นชุดเก้าอี้เล็กๆนะคะที่สามารถนำหมอนสวยๆเนี่ยไปวางไว้ให้ดูสดใสได้มีจา ก, การดอกไม้นะคะวางไว้บนโต๊ะสักหน่อยก็จะให้ความรู้สึกที่สดชื่นแล้วก็สวยหรูดูแพงแล้วล่ะคะ่ะ ขอ้อที่เนะคะอุปกรณ์ตกแต่งเก่าๆก็เปลี่ยนออกบ้างนะของเก่าๆอย่างเช่นชามใส่ผลไม้เก่านะคะขวดโหลเก่าถาดเก่าเปลี่ยนออกไปค่ะหาของใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้แทนนะคะก็จะทำให้ดูดีขึ้นมาได้เยอะเลยละค่ะข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายแล้วหาที่เก็บของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะไม่จำเป็นต้องเอาของทุกอย่างมาไว้ให้เราเห็นนะคะคือไม่ต้องแบบ คือเก็บให้มันเป็นระเบียบบ้างก็ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าจะทำให้มันดูรกค่ะของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเครื่องครัวอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็หาที่เก็บให้เป็นที่เป็นทางนะคะไม่ควรเอาออกมาวางกองไว้แม้แต่เครื่องปิ้งขนมปังเองก็ตามเครื่องผสมอาหารนะคะหรือว่าหม้อต้มกาแฟเพราะว่าถ้าหากไม่ได้ใช้ประจำเนี่ยก็หาที่เก็บหรือว่าหากใช้บ่อยก็เก็บในที่ ท, ที่ง่ายค่ะ นี่ก็คือ10วิธีนะคะเทคนิคที่เรานำมาฝากกันในเรื่องของการทำให้ห้องนั้นดูไม่รกแล้วก็แต่งห้องครัวนั้นให้ดูสวยดูแพงขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกับเจ็ดวิธีการขจัดกลิ่นอาหารทอดออกจากครัวค่ ะ, ะพี่พิทภันฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์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 กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับ7วิธีขจัดกลิ่นอาหารทอดออกจากครัวนั่นเองนะคะโดยอาหารผัดผัดทอดๆเนี่ยมักจะเป็นอาหารจานโปรดของคนในครอบครัวค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แม่ครัวไม่ชอบเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารจานทอดนี้เนี่ยมักจะส่งทั้งกลิ่นนะคะเอาไว้ในห้องครัวอีกนานเลยทีเดียวยิ่งบ้านไหนเนี่ยมีการผัดทอดอยู่เป็นประจำกลิ่นเนี่ยก็จะฟุ้งนะคะไม่เพียงแค่ในห้องครัวเท่านั้นแต่มันยังกระจายออกไปถึงห้องอื่น อื่ น, นะะภายในบ้านอีกด้วยบางทีนะคะก็ จะติดเสื้อผ้ามาด้วยนะจะให้เลิกทําอาหารทอดก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเรามีเทคนิคนะที่จะช่วยขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้นะคะให้ออกไปจากบ้านดีกว่าคอแรกกันเลยค่ะเปิดเครื่องระบายอากาศนะคะหรือว่าเครื่องดูดควันเนี่ยดูดกลิ่นเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วก็หากมีหน้าต่างนะคะก็เปิดซะด้วยถ้าไม่มีเครื่องระบายอากาศให้ใช้พัดลมแทนได้ค่ะโดยการเปิดพัดลมนะคะเป่าออกไปทางหน้าต่างโดยตรงเลยข้อที่2ค่ะ ปิดประตูครัวซิก่อนนะคะอย่าเปิดพื้นที่ให้เชื่อมไปยังห้องอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงนะคะไม่ใช่นนั้นกลิ่นเนี่ยก็จะกระจายออกไปยังพื้นที่ของห้องอื่นๆด้วยข้อที่3อบอาหารที่มีกลิ่นหอมอย่างเนยซินนามอนคุกกี้นะคะสักชั่วโมงหนึ่งจะช่วยให้ในครัวเนี่ยมีกลิ่นของอาหารอบหอมๆแทนที่จะเป็นกลิ่นของไก่ทอดหมูทอดค่ะ ข้อที่สต้มน้ำส้มสาชูนะคะกับน้ําโดยผสมน้ำหนึ่งถ้วยต้มกับน้าส้มสาชูหนึ่งช้อนโต๊ะเราก็นําไปต้มนะคะอาจจะใส่เปลือกส้มหรือว่าแท่งซินนามอนเนี่ยลงไปด้วยก็ได้เช่นกันค่ะจะทําให้กลิ่นของครัวเนี่ยนะคะหอมแล้วก็ดูเป็นกลิ่นของธรรมชาติมากขึ้นอืมบางคนอาจจะงงเอซินนามอนนี่คืออะไรอบเชยนั่นเองนะคะลองหามาต้มดูนะช่วยได้เยอะเลยล่ะค่ะ ข้อที่5นะคะหาถ้วยสักใบหนึ่งนะใส่เบกกิ้งโซดาหรือว่ากากกาแฟค่ะทิ้งไว้ในครัวสักหนึ่งคืนนะคะทั้งเบกกิ้งโซดาและกากากาแฟจะช่วยดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ให้เบาลงได้ค่ะ ข้อที่หกจุดเทียนหอมนะคะก็ช่วยได้เช่นกันแถมเป็นวิธีที่เร็วแล้วก็ง่ายอีกด้วยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะการใช้สเปรย์ดับกลิ่นนั่นเองกลิ่นของสเปรย์ในนอกจากจะช่วยกลบกลิ่นเหมแล้วนะคะยังช่วยขจัดกลิ่นที่อยู่ในอากาศนะคะในเนื้อผ้าตามห้องต่างๆได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือ7เทคนิคนะคะหรือ7วิธีการขจัดกลิ่นอาหารทอด ออกจากห้องครัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งสามช่วงเนะคะเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันกับสารพันเรื่องราวในห้องครัวนะคะวันนี้เนี่ยนะโอ้เต็มอิ่มอย่างแน่นอนนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยตอนนี้ก็คงจะเตรียมตัวกันเข้านอนกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางกันมา ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะกับเรื่องราวของห้องครัวของเรานั่นเองเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่เพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งเวลาของรายการกลเม็ดครัวไอเดียและเวลาของเอด้วยนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากนั้นต้องรอติดตามสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะต้องลากัรไปก่อนค่ะลฟันดีราตีสวัสดีะค่ะสวัสดีค่ะ